ยินดีต้อนรับบริษัทเลี้ว่านฟาร์มและทุกท่านที่อยู่ที่นี่แล้วโดยธรรมะปฏิสันฐานฟังธรรมกันหลังจากธรรมะเย็นจบวนเนมต ปฏิสันฐานก็ตามอัตภาพคงมีที่อยู่ที่อาศัยกันว่างตามอัตภาพของที่นี่ อ, นอาหารการกินก็คงจะบรรเทาความหิวได้นะจริงๆแล้วเราก็ต้อนรับตัวเราเองกันแหละทำใจสบายๆอยู่ที่ไหนมีนิพพานอยู่ที่นั่น ถือว่าอยู่ที่นี่ดีอยู่ที่นี่ไม่ดี น, นั่นมันาจากนั้นไม่ถูกต้องอยู่ที่ไหนให้เข้าใจว่าที่นั่นเป็นนิพพานของเราเย็นใจสบายใจฟังเสียงชึกเสียงเหมือนเสียงพระสวดมนต์ทำสิ่งที่ล้ายให้เป็นสิ่งที่ดีเปลี่ยนสิ่งไม่ดีเป็นสิ่งให้ดี เราเองทาของตัวเราเองโลกก็น่าอยู่ถ้าเราไปตั้งอะไรไว้อพอใจไม่พอใจมันก็ไม่ถูกต้องธรรมะปฏิสันฐานก็เรื่องอางานนี้แหละเรื่องปฏิบัิธรรมกัน ที่นี่สุโกโตสุโกโตเป็นภาษาบาลีภาษาสันสกฤตแต่ไปเป็นภาษาบ้านเราก็เรียกว่าไปดีมาดีอยู่ดีอยู่โดยชอบปฏิบัติดีปฏิบัติตงปฏิบัติตอกจากทุกปฏิบัติสมควรเป็นสถาบันของพวกเรา ปฏิบัติดีก็ไม่ให้มันขิตภาดให้เกิดเป็นทุกข์แต่ตัวเองไม่เป็นทุกข์ต่อคนอื่นที่ว่าปฏิบัติดีสิ่งอื่นวัตถุอื่นด้วยอะไรที่เป็นทุกข์เบียดเียนสิ่งอื่นวัตถุอื่นคนอื่นตัวเราเราไม่เบียดเบียนนี่ว่าปฏิบัติดี ปฏิบัตรงก็ตรงต่อหน้าที่ตรงต่อตัวเองตรงต่อสินตรงต่อทมตรงต่อเวลาตรงต่อเพื่อนตรงต่อมิตรงต่อทุกสิ่งทุกอย่างไม่มีความถูกต้องตรงอยู่เราใช่อะไรก็ตามใช่กายเราใช่ใจเราใช่วัตถุสิ่งของออพปฏิบัติตรงจะให้มันผิดจากวัตถุสิ่งของตามสมมติปัญญา เรามีมีดเราใช้มีดทำประโยชน์ให้มันเกิดคุณประโยชน์ไ่ใช้มีดไปประหัตประหารไปเขียนไปฆ่ากันมีใจก็เป็นจากทุจิริตประกอบสุจิริตมีใจให้มันพึ่งพึ่งได้ คิดอะไรปร ะ, ประกอบด้วยเมตตาพูดสิ่งใดประกอบด้วยเมตตาทำสิ่งใดประกอบด้วยเมตตาทั้งตอนหน้าและหลังของเพื่อนของศัพทสิ่งเรียกว่าปฏิบัติตรงเหมือนกันเป็นสถาบันที่นี้ปฏิบัติออกจากทุกอะไรที่เป็นทุกขนะ์น่ะแน่นอนอย่าทำให้ตัวเองเป็นทุกข์อย่าทำให้คนอื่นเป็นทุกข์ด้วย การชว่าทุกเนี่ยทุกชีวิตคงไม่ต้องการเราก็ไม่ทำให้มันเกิดทุกแต่ตัวเราและคนอื่นปฏิบัติสมควรสม่ำเสมอไม่ปูไม่แพบจิตใจของเรานี่ได้ที่ที่อยู่ของจิตใจ คือปกติเป็นบ้านของใจปฏิบัติสมควรอยู่กับความปกติตลอดทุกเวลานาทีเราทำได้แม้จะอยู่ที่ใดก็ตามบนรถเมย์ที่ทัางานตามถนนหนทางอะไรก็ตามเราอยู่กับความปกติเราอยู่กับปกติเป็นบ้านของจิต เป็นบ้านของจิตใจเราอย่าเป็นคนจนในเรื่อง น, นี้อย่าเป็นคนพัดถิ่นไหลไปตามอารมณ์ปงแต่งไปยินดียินไายพอใจไม่พอใจเอาวตัตถุสิ่งของมากำหนดจิตใจของเราตามสมมติบัญญัติบัญญัติเอาว่าชอบว่าไม่ชอบ อันนั้นไม่ใช่บ้านเราเป็นคนอาภัพแล้วอาภัพที่อยู่อาศัยไม่มีวิหารธรรมเป็นที่เพิ่งบาอ า, าศัยของจินเรียกว่าบ้านของเราคือปกตินี่เรียกว่าไม่โจ น, นทำไงจึงจะมีบ้านถาวรพัขึ้นมาได้เราก็สร้าง สร้างสติปฏิบัติปฏิบัติตรงปฏิบัติออกจากทุกปฏิบัติตสมควรมีสตินี่แหละเรียกว่าสร้างบ้านบ้านท่นนี้ชั่วกัะปรปักตลอดไปไม่เหมือนบ้านที่เราสมมูรณ์ัญญตัตินั้ น, น, นเราอยู่ไม่ได้เกินร้อยปีในพรุนี้ในพรุน้าอยู่ไม่ได้แล้ว แต่ถ้ามีปกติเป็นบ้านของจิตใจแล้วนะมีตลอดทุกเวลานาทีบ้านหลังนี้อ่เหนือการเกิดเจ่เจ็บตายไดอ้อยู่กับเราติดกับเราเป็นสมบัติของเรานี่เรียกว่าต้องสร้างกันแล้วอย่าจนพวกเราอย่าจน คนโกรธคือคนจนบ้านคนทุกข์คือคนจนบ้า น, ค น, ค, ค, น, น, านคนหลงคือคนจนบ้านคนวิตกกังวลเศร้าหมองคือเราจนบ้านไม่มีที่อาศัยจนจัดไปแล้วเราจึงพยายามพยายามสร้างอะให้มันมีในเราอย่าฟูฟูแฝบแฝบที่ใจเรา การที่อยู่ของร่างกายนี่อยาปานาให้มากนะให้พ อ, อตภาพเพื่อวันเทาลมแดดและสันเลคานเพื่อวันเทาอันเกิดจากดินฟ้าอากาศเพื่อดีกเล่นในที่ภาวนาอยู่ที่ไหนนี่ก็ภาวนาภาวนาคือทำความดี เปลี่ยนความร้ายเป็นความดีเรียกว่าภาวนาอยู่ที่ไหนก็เป็นบ้านของเราที่ภาวนาทำความดีอะไรที่เป็นความดีช่วยโอกาสทําให้คำคิดคําพูดการกระทําแสดงออกจอย่าไตรวดขวดบ้านจับสิงแฉบของตักแต่งอะไรต่างๆมันอยู่ในความเป็นระเบียบเรียร้อยทางกายทั้งวาจาพูดแต่เป็นสุภาษิต ท, ทางใจก็เป็น บริสุทธ์เรียกว่าโชคขอนโชคแขงภาวนาก็ค่อยนี่แหละเปลี่ยนความร้ายเป็นความดีขยันรัวไว้อย่าหลงความรู้ได้จากความหลงได้ปัญญาเพราะวันหลงเพระรู้สึกตัวนะความทุกข์ก็เกิดปัญญาเพราะความทุกข์ ามาเป็นปัญญาทั้งหมดเลยการเจ็บการแจ่การตายก็เป็นปัญญาให้เห็นแจ้งเหมือนเราสวดปฐมภาสิทธิเมื่อกี้นี้ปฐมภาสิตคือออกจากพระโอษฐ์เป็นขั้งแรกเป็นต้นหลัองจากองตัดจะรู้แล้วองได้กล่าวว่า อุทานลงมาจากโอ์ด้วยอดไม่ได้พูดให้ตัวเองฟังพูดให้สัพสริงพูดให้ทุกสิ่งฟังออกมาเป็นภาษาว่าต่ก่อนนี้เราไม่มียานไปแล่นท่องเที่ยวไปในสงสารเป็นนเดกาชาติกลมไร่กลมดีปูๆแป๊บๆฟางคืนว่าฝันกลางวันวาคิด ให้ความคิดพาไปท่องเที่ยวไปเป็นความโกรธก็มีเป็นความรักความทุกข์ความวิตกกังวลเศ้ามองโดยจากกิจใจให้มันไหลไปแล่นไปที่ว่าไดไม่ท้วนเป็นภพเป็นชาติสมบูรณ์แบบมีขันธ์ท่าทีบูปทานจะเป็นสุขก็มีสุขหัวเราะเป็นทุกข์ก็ร้องไห้ อันนั้นแล้วขันหนาแน่นอนขันหน้าที่เป็นอุปาทานมันเกิดจากาไม่มีญาณไม่มีสติวันนี้เรารู้จากเห้ยแล้วเรามีสติเปลี่ยนตัวพงตัวแต่งที่มันเป็นสังขารนั่นนะสังขารแค่ว่า พ, ง แ, ง, า ง, าพงแต่งกายจะสังขารพงแต่งกายกิจสังขารพงแต่งกิจ ผีมือของสังขารนะ่ะม า, าแสดงออกถึงผลของสังขารคือความทุกข์ความรักความจางังความวิตกความโวยงข้าหมองเป็นผิดผลของสังขารไม่ใช่เราเราคือปกติถ้ามันควงจนเป็นพอใจไม่พอใจอย่างนั้นแหละผลของสังขารสังขารเป็นเหตุสังขารเป็นเหตุเ ห, ตเหมือนกับพระพุทธเจ้าย่ออริสัจสี่ว่า ทุกเป็นผลจมูกใจเป็นเหตุมักเป็นเหตุในโลดเป็นผลน่ยไม่จะเหตุกับผลอยู่ดีๆแล้วไม่ได้โกรธแล้วไม่ได้หัวเราร้องไห้มันผิดผ ล, ลออกมาจากอะไรเนื่องต่อเนื่องมาอย่างไงเกิดเนื่องด้วยกันอย่างไงตามหลักสติปัฏฐานตามหลักปฏิจจสมุปบาทตามหลักอริยสัจจีมันก็เกิดต่อเนื่องกันเพราะ สังขารสังขารคืออะไรคือไม่รู้แล้วเปลี่ยนมันซะสังขารเนี่ยตัวไม่รู้เปลี่ยนเป็นตัวรู้บัดนี้เรารู้จากเจ้าเสียแล้วคงเรือนทั้งหมดของเจ้าเราหักแล้วยอดเดินเราก็ลื่แล้วโคงเรือนคือสังขารสังขารคือมันแล่นไปมันไม่รู้นะเปลี่ยนเป็นวิสังขารจะ ว่าจิตของเราถึงแล้วซึ่งคือภาพที่ไหลโพรงแต่งไม่ได้อีกต่อไปมันเป็นวิสังขารวิสังขารคือมันไม่โปรงมันไม่ไปตาเห็นโลกก็จากแต่ว่าเห็นเท่านั้นไม่มีสมมติอนุญัตมาลองรับว่าชอบว่าไม่ชอบมันหยุดแล้วเห็นจากว่าเห็นได้ยินจากแต่ว่าได้ยิน ได้กลิ่นได้เสียงได้รสสักแต่ว่าไม่มีตัวมีตนไม่มีสมมติปัญญาตไปรองรับเป็นวิชาเป็นวิสังขารวิสังขารคือนิพพานนิพพานได้น้อยไปก่อนการไม่ปรุงเนี่ยว่าวิสังขารวิสังขารเป็นทางไปสู่มรรคผลนิพพานถ้าปรุงนี่เป็นภกเป็นชาติถ้าปรุงแต่งเป็นภกเป็นชาติ เป็นชะลามละะระโสกปเิวัตุมันเกิดอยู่ที่ไหนสิ่งเหล่านี้มันเกิดอยู่ที่เราสุกโตรพระคันศึกษาเรื่องอย่างนี้อยู่นี่ถ้าเป็นการศึกษาวิชาการทางโลกก็จบมาไม่น้อยเหมือนกันพระสงฆ์อยู่นี่มุขสงฆ์อยู่นี่เป็นยาเป็นสาขาต่างๆเกือบจะทุกลูก นั่นเป็นการศึกษาตามโลกสมมุติแต่ว่าการศึกษาชีวิตของเรานี้อันเดียวกันเราจะมาเอาตอนนี้เป็นวิชาเอกเป็นเอกทางนี้ถ้าแตกแขนทางนี้แล้วมันก็รู้จักใช้วิชาอื่นนะเราฝึกหัดศึกษาวิชาเอกคือ ชีวิตของเราคือกายใจของเรานี่เป็นตำลาเล่มใหญ่กายก็เป็นตำลาจิตก็เป็นตำลาสติเป็นนักศึกษาเข้าไปดูเข้าไปเห็นดูตรงไหนเนี่ยอย่างพระท่านยก ม, มือเนี่ยวันนี้ก็อาจารย์ทุ่งอาจารย์วัฒชัยเป็นผู้ตอนรอบเราหลวงพ่อก็ มีเพื่อนดีดีปีที่แล้วนี่ในภาษาแสดงทำให้ได้เลยลื่นยังแข็งอยู่อันนี้ก็ลื่นแข็งนะบางคนมาฟังหลวงพ่อพูดว่าหลวงพ่อเป็นฝรั่งหรือเปล่าพูดภาษาะอะไรเนาะเพี้ยนไปสักหน่อย่ลื่นมันแข็งมันตายคืนนะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เลยไม่แสดงทำเพิพ่งมามีเสียงบ้างก็เนี่ย ไม่กี่เดือนมานี้เอาแก่ลงไปบาลมาก็ห้าเดือนสีห้าเดือนอก็พอมีชีวิตชีวาอยู่นี่การคือการศึกษาเป็นตำราเล่มใหญ่อันเดียวกันพวกเราอย่าไปอ้างว่ า, เ, าเราเป็นนักบวชที่นี่เป็นนักบวชพวกเราเป็นพระบาตอย่าไปอ้างแบบนั้นไม่มีข้ออ้างอัน ความจริงแบบนี้เป็นสากลผู้หญิงผู้ชายผู้่าผู้แก่ผู้หนุ่มผู้สาวศาสตาใดระทิีใดเพศใดใย ใ, ใ, ใดไม่เกี่ยวเราก็มาศึกษาแล้วนี่รู้สึกตัวรู้สึกตัวความรู้สึกตัวเป็นสากลแห่งธรรมเอามาท่องบนให้กายมันท่องให้ใจมันท่องไม่ใช่ปากท่องไม่ใช่จำให้ปากมันจำบอก แล้วก็จาได้ก็ เ, เรียนนักธรรมตั้งแต่เป็นสำเน้นทามีประการละมากสองอย่างสติความเลยได้สามัญญาความรู้ตัวจำได้อ่า น, นัน่นไม่ใช่มันไม่ใช่เห็นมันจำเอาไม่ไม่เป็นความจริงมันรู้มันไม่ใช่เห็นการศึกษาของจริงที่เป็นจัตเจธรรมต้องเห็นต้องพบเห็น ไม่ใช่คิดเห็นเคยพูดแต่เรื่องนี้เอามวอยู่ตรงนี้แหละพูดมาแล้วสี่สิบปีแล้วกูดอยู่ตรงนี้เจมันอยู่ตรงนี้แหล ะ, มลลมหละไม่ต้องไปที่ไหนเพราะมันจะต้องอยู่ที่นี่แน่นอนเหมือนเราจะกินน้ามะพร้าวโบราณท่านเด็กๆ เ, เขาถ่ายกัน ภาษายชาน่ะสับขอนพุยปั่นมะพร้าวไปถูกขอนกูหุไม่เห็นมีอะไรเลยปัน่นไม่ดปั่นลงไปเอ้ยไม่มีหน้ามอะไรเลยเอาอีกสักหน่อยไปเถือกกระโปแข็งแข็งเอ้ยมันก็ไม่มีน้ามอีกน้ามอะไรไม่อยู่ตรงแข็งแข็งยังไงอุ่อ า, าก็ไปอีกเจาเข้าไปอีกไปถูกเนื้อเออเอาไปอีก สรมสั้นสี่สั้นไปตึกไวยถูงน้ำการฝึกปฏิบัติธรรมนี่ก็เหมือนกันมาดูสารการพรศสนะมาดูระเบียบในพระสงฆ์งเข้าอยู่กันยังไงเกิดจัทาเอาระเบียบไปขายกันก็มีเอาพิธีกรรมไปขายตีละครังมาทำสมาธิวันละสองชั่วโมงหนึ่งชั่วโมงโดยตีละรังเดินจงกรม มันไม่ใช่ชีวิตจริงชีวิตจริงเราต้องเป็นธรรมชาติความรู้สึกตัวเนี่ยไม่เลือกการเวทไม่เลือกเวลาอากาลิกธรรมเป็นอากาลิกธรรมไม่มีใครที่จะมากําหนดให้เรารู้เรารู้เองของเราเองรู้จึกตัวรู้จึกตัวรู้จึกตัวนี้เอากายไปท่องเอาท่องไงอะ่องะสังฆาท่านธรรมอาจารย์อยุกี่ท่านทรามถ้ามันรู้ไปพร้อมๆกัน ให้มันรู้ไปพร้อมกันให้กายมันรู้ไม่ใช่ปากไปพูดรู้รูกก้เไม่ต้องว่าภาษาเรารู้สึกตัวก็ไม่ต้องว่าภาษาอังกฤษเอาแวร์ทั้งพ่อเไปสอนฝรั่งนะที่สซเล็เอาแวรใช่ไหมไม่ต้องว่านะงานต่งางบากกันรู้ไปความรู้สึกตัวเนี่ยเอามือมาเคาะดู ร two ูร้สึกไหมรู้สึกลู่อย่างนี้รูปแบบเอาเคาะอย่างนี้รูสั้นสั้นรูแล้วรูแล้วใช่ไหมไม่ต้องไปรูจับแบบนี้ไม่ใช่ยาวไปนะอะไรก็ตามรู้จึกตัวรู้สึกตัวให้กายมันติดกับของรู้สึกตัวให้ใจมันไปติดกับของรู้สึกตัวรู้จึกตัวเนี่ยมันก่อนพูดก่อนทําก่อนคิดจับเอากายมาทําจับเอาวาิจามาพูดจับเอาจิตมาคิด ความรู้สึกตัวเป็นเจ้าของเลยเป็นเจ้าของกายเป็นเจ้าของวาา่าใจเป็นเจ้าของกิจใจความรู้สึกตัวไม่เถื่อนผู้มีผู้ที่มีความรู้สึกตัวเหมือนอยู่บ้านพ่อดูแลพ่อกับแม่เป็นผู้ดูแลเราเหมือนกับพ่อกับแม่อุปการและคุณอุปการรามากเนี่ยเรามาสร้างตัวนี้ให้มันมี ให้มันมีไม่ใช่ไปจาําอำของจริงต้องทําให้มีให้เห็นเห็นมันรู้เห็นมันหลงเห็นมันสุขเห็นมันทุกออกมาดูออกมาดูออกมา ด, ออมาดูอย่าไปอยู่ออกมาดูดูอะไรอะไรก็ตามที่มันเกิดอขอึ้บกายกับใจเรานะมันจะเกิดตรงนี้แหละ มันจะดับก็ตรงนี้มันจะเกิดก็เกิดตรงนี้แม้มีปัจจัยภายนอกมีลูปมีรถมีกินมีเสียงภายนอกมันก็เกิดตรงนี้เราจึงดูมันตรงนี้ออกมาดูมันมันสุขก็ดูมันยาเข้าไปอยู่ในความสุขมันทุกข์ก็ดูมันยาเข้าไปอยู่ในความทุกข์ให้เห็นมันมันชั้นๆถ้ามันไปสุขก็ปรุงแต่งไปไกลไปชอบไปเป็นความยึด ถ้ามันทุกข็ไม่ชอบปฏิเสธมันไปไกลจนถึงทะเละวิวาทตากันเกิดอิจฉาเบียดเบียนกันเป็นโทษเป็นไปถ้าเรามาเห็นตรงนี้มันก็หยุดแล้วหยุดแล้วหยุดแล้วมันไม่ไปมันไม่แล่นไปมันอยู่แล้วเรียกว่าสติการที่พวกการที่ทํากันไว้คิดและเลิกได้อ่ารู้สึกตัว ก่อนรู้ก่อนทำก่อนคิดจะเลิกได้ขณะที่พูดที่ทําคิดรู้สึกตัวกํากับพอดีพอดีพอดีพอดีเป็นสมบัติของกันและกันเป็นสมบัติของกายเป็นสมบัติของใจความรู้จึกตัวไม่ไม่ตกไปในที่ชั่วแน่นอนอันนี้เป็นธรรมพุ่มครองธรรมย่อมรักษาผู้ปฏิบัติธรรม แม้พระพุทธเจ้าก็เคารพพระธรรมแบบนี้เชื่อมั่นว่าถ้าทําดีมันก็ดีเลยถ้าทําชั่วโวชั่วเลยเชื่อมั่นว่ามันเป็นกรรมเกิดการกระทํเาเราจะเรียกวิชานี้ว่ากรรมฐานที่ตั้งของการกระทําที่ตั้งของการกระทําเอามาทํา เอามาตั้งไว้เอาสติมาตั้งไว้ที่กายถ้าไม่มีที่ตั้งมันก็ไหลไปโดยเพราะจิตนี่ chat, ไหลไปข้างหน้าไหลไปข้างหลังไม่อยู่ไปที่เราไม่มีปัจจุบันไหลไปข้างหน้าที่อยากไม่มาถึงคิดไปอดีตผ่านมาแล้วก็คิดกันไปอีกสิปี20ปีมันไหลไปข้างหน้าไหลไปข้างหลังปัจจุบันเลยทิ้งเลยของจริงคือปัจจุบัน เราแต่ลรลความชั่วได้เขาเดี๋ยวนี้เราจะทำความดีได้ก็เดี๋ยวนี้ปัจจุบันคือชีวิตจริงแม้พรุ่งนี้มันมีอยู่ไม่มีใครเห็นพรุ่งนี้เลยการที่เห็นก็เห็นเดี๋ยวนี้แหละเห็นเดี๋ยวนี้เห็นเวลานี้การศึกษาเรื่องสัจธรรมคือดูอย่างนีง้นะไม่ใช่ความคิดเหตุผลอันเหตุผลไม่ใช่สัจธรรม ตัวที่เป็นของจริงคือพบเห็นเข้าเห็นเขา้าศึกษาเดี๋ยวนี้เป็นปัจจุบันเป็นปัจจัดตังสัมผัสได้ด้วยตนเองผู้ศึกษาผู้ปฏิบัติย่อมรู้ยิง่งเห็นจริงตามสมควรแจกก า, ารปฏิบัติปฏิบัติได้ให้ผลได้ไม่จำกัดการนี่คือเราฐานะที่เราเป็นพุทธมามะกะ โอชิ่งเหล่านี้เป็นชิ่งที่เอกของเราไว้อย่าหนีไปไหนอย่าตกหมูแร้งเป็นแ่องย่าตกหมูกาเป็นกายืนอยู่เป็นสถาบันปฏิบัติดีปฏิบัติตงปฏิบั ต, บ ต, บ ต, บติทุกปฏิบัติสมควรพวกเราเขียนไว้ทีป่ป้ายหน้าวัตสถาบันสติปัฏฐานทุกคนเป็นสถาบันไม่ใช่ ดึงรา่านบ้านช่องอะไรต่างๆไม่ใช่ชีวิตเราทั้งชีวิตนี่ทำดีรับความชัว่วต้อคิดให้บริสุทธิ์เป็นสถาบันไม่เปลี่ยนแปลงอยู่ในสถานการณ์ยังไหนไม่เปลี่ยนแปลงปฏิบัติดีปฏิบดดัติตงปฏิบัติจบประทุกปฏิบัติสมควรเมื่อเราทำที่เราแล้วมันก็เกิดผลกระทบไปเองนะลองดู ถ้าเราลักลูกลักเมียลักพ่อลักแม่ลักเพื่อนบ้านรักพี่ลักน้องเราก็ต้องเป็นคนดีถ้าเราเป็นคนชั่วแม้แต่เราลักเราอะไรอาวุคิดห่วงคิดถึงไม่มีประโยชน์แต่ลักกัดจริงๆต้องทําความดีอย่าเอากายเอาใจไปทําชั่วทําแต่ความดีนี่คือความหลักจะ่ไปให้มันเบียดเปลีนน่ยนตนอย่าเบีเ่ดเบียนคนอื่น นี่เป็นเป็นหลักที่เราศึกษากันมันก็แตกแขนงกันมีโอกาสแตกแขนได้ไปเป็นศีลเป็นสมาธิเป็นปัญญาเป็นอะไรได้ทั้งหมดคงามบทขั้นความโดทนคงเมีเฉลิลความไม่อภยัยความเมตตากาุณาเกิดขึ้นมากมายครบมลักอะไรต่างๆไม่มีขอบเขตไม่เบียเยเบียนอะไร นี่ขอขอบคุณที่บริจัทเลมอนฟารามมาอ่าแล้วก็หลายชีวิต ท, ที่มาร่วมกันของการปลูกป่าก็เป็นเป็นแปลงสุดท้ายด้วยนะจกระตุ้เออให้เลมอนฟรามปลูกอาจารย์ตุ้มเป็นพวกเราที่นี่ก็เตรียมแปลงมาให้ เราพ่อก็ปาถาอย่างแรงป็นนี่บูสมช่วยกันมากก <c oughs> ็ปลกกันตั้งแต่เข้าวังส า, ามานีปูกกับทุกวันหลวงพ่อก็คิดอยู่คนเดียวว่าเป็นนี่ประเทศชาติมากมายการรักษาตัวหมดเงินเป็ น, นล้านๆนะ <c oughs> ถ้ากีโมหลดหนึ่งก็เป็นแสนแสนแล้วใช่ไหมอ่าอะไรต่างๆอาจารย์ตุ่มอาจารย์พวกเราทุกคนช่วยเดมอนฟาร์มด้วยทำอาหารให้ไปส่งที่โรงพยาบาลหมดเงินหมดทองหลายทีนี่ก็ตั้งใจว่าถ้ามันหายเวลาเวล า, วลานอนพ่วยอยู่ เมหมอกำพ น, นพูดว่าเราก็ยาเฮคิมโมหลดตังเป็นแสนนะายากระตุน้นเม็ดเด็ดขาวม็ดเด็ดแดงเนี่ยยันด้วห้าพันนะโอ้ลองทุนกันไป น, นี่น้อถ้าเราไม่ตายจะไปใช่นี่ประเทศชาติการใช่นี่ของเราคือทำอะไรคือปลกต้นไม้เดี๋ยวนี่ก็มี ของการมาแล้วสามสี่ของการที่มาปลูกต้นไม้จากบริษัทบางจากเขามาปลูกป่ามหาวันที่นี่เจ้าวาดมปอยู่ที่นี่ น, น, นะนี่แต่พระลูกวัดเจ้าวาดคือพระไพรสารจารัไพรสารเพิกเราหมู่สงฆ์ที่เคารพท่านท่านไปดูแลที่ป่ามหาวันจากนี่ไปสิบสี่กิโลเข้าไปปลูกที่นั่นที่ ก็ถือว่าเกือบสําเร็จแล้วเหลือน้อยเดียวนะก็ใช้นี่ช่วยด้วยเป็นที่มากนะแล้วก็คลองปลูกไปได้สมเงินเป็นล้านๆนะต้นไม้ต้นหนึ่งถ้าปลูกลงไปก็มานไม่ต่ากว่าสามบาทสี่บาทต้นไม้ต้นหนึ่งไม่ต่ําจริงๆนะไม่ต่ำกว่าสามสี่บาท กว่าที่ได้ต้นไม้เกิดขึ้นมาต้องอาศัยคนหลายคนเพราะฝนมาลงตวนลงแรงมาถ้าปลูกลงไปแล้วเออปีนี้พ่อฝนก็พอพอดีพอดีอดถ้าปลูกต้นไม้ได้ไม่แห้งไม่แห้งแรง้งเนี่ยก็ปลูกได้ดับไฟป่าดับความร้อนสร้างคืนป่าให้ แผ่นดินเขื่อนน้าให้ปลาเขื่อนป่าให้แผ่นดินประเทศเราก็จะน่าอยู่กว่านี้เวลานี้นะประเทศไทยเราเนี่ยเราไม่ได้ตัดต้นไม้สักต้นเลยเราก็เดือดร้อนเพอื่นินเราตัดเพราเราก็เดือดร้อนถ้าจะรอให้คนที่ตัดมาปลูกอย่างหลวงพ่ออยู่เนี่ยคนที่ตัดก็บริษัท ใช้พุมข้าวไม้ลงเลื่อยเขามาตัดอยู่ที่นี่เขาเหยียบไปรอบสองรอบแล้วนะ่ยหนีหนีข้างหนึ่งแล้วหลวงพอเขามาตัดต้นไมนะ้ทางเข้ากติไม่ได้เลยตอนไม้ ล, ล้มเรื่อยเร่ะนาดไปหมดลยทิ้งเอ้มามอยู่แล้วไปก็เลยเอ้าถ้าเราไม่อยู่ไม่ดูแลใครจะมาอยู่ก็เราอยู่มัน เขาเหยียบไปรอบหนังโรงเรื่อยเขาไปเอาต้นไม้ต้นเนี่ยแต่มันไม่ใช่เอาต้นเดียวต้นนี่รถเันเลื่อรู้จักไ้ยเลนเจอร์รอดใหญ่เหยียบเข้าไปเลยต้นขนาดนี้มันโค้งไปเลยเลยแตกไปเลยลากรงที่เราใช้ทางอยู่เนี่ยเป็นทางลากรงก่อนนะเราก็ไม่ได้ตัดเลยเวลาเขาปลูกป่าเขาปลูกไงเขาก็สัญญาสัญญาป่าไม้่าถ้าปลูกแล้วถ้าตัดแล้วต้องปลูกแทน เขาไปปลูกไปจุดทางขึ้นบนน้ำตกต่ต้นที่อุทยานเป็นป่ากะถินน่าลงเป็นป่ายูคาบางแห่งก็ mm. ไม่มีแล้วยูคาอันนั้นแหะปลูกแทนไม่สมไม่สำเร็จเมื่อเราเนี่รามาช่วยกันอย่างเนี้ยพวกเราปลูกกันทั้งนั้นป่ายางป่าอะไรเนี้ยเนียคือมันของเก่ง เจ้าป่าเจ้าเขาไม่ใช่ยูคาไม่ใช่กถินนะลงไม่ใช่อะไรทำอะไรเนี่ยพยายามปลูก ด, ด, ด้วยหรือนี่กินเห็ดละโงกกันชาวบ้านก็มาเจ็บตเกชะตุกเช้ า, ามาสายๆก็ยังได้คนละปและเกลวอยู่มาเจ็บเห็ดละงกเป็นแหล่งอาหารว่าเถอะเป็นประโยชน์มากมาปลูนะกป่าหลวพ่อก็ ไม่มีทางอื่นแล้วที่ใจะใช้นี่แผ่นดินมัเทชาติทั้งจากการปกป่าขอหนูทาพวกเราเนาะมาปกป่าแล้วอี ก, กหนึ่งคือสอนธรรมะนะเพราะจำเป็นจริงๆอะธรรมะเนะี่ยชีวิตเราต้องมีอชีวิตจริงๆต้องมีธรรมะมีอารมณ์กรรมฐานหลวงพ่อเป็นส่วนหนึ่งที่ลอดมาได้จากอารมณ์กรรมฐานตายไปนะหายใจไม่ออก เราอยู่ที่ไหนเราอยู่ตรงที่ไม่เป็นอะไรเพราะเคยพูดเคยสอนอยู่นี่อยู่ที่ไหนอยู่ตรงที่ไม่เป็นอะไรกับอะไรเลยถึงเขาที่มันกน daring, ้อนเนื้อตะบอนมันเจ็บท้องปวดท้องเอามาไปอยู่กับความเจ็บอยู่ตรงไห น, นอยู่ตรงที่เหนือการเจ็บอยู่ได้เราฝึกอ่ะเอามันหายใจไม่ได้หายใจไม่ได้ไม่ต้องหายหัวไหลยใจเนี่ยเอาทิ้งไปซะ อยู่ตรงไหนอยู่ตรงที่ไม่เป็นอะไรนะอยู่นอนสบายนะโอ้ยคิดเป็นพวงโอ้ยคนไม่มีกรรมฐานเขาจะอยู่ไงเนาเป็นทุกข์นะคนป่วยนี่เป็นทุกขนะ์นนะเจ็บก็เป็นทุกข์เฮ้ยเราไปเห็นมีทุกข์ตรงไหนหรอเฮ้ยสบายที่สุดเล ย, เยคิดเป็นห่วงคนถ้าเขาไม่ฝึกกรรมฐานเขาจะอยู่ไงเนอะคน่ะ เอา้าเราก็สอนกันอยู่สอนอยู่ที่โสกโตก็สอนกันอยู่มันยังไม่พอเราต้องไปสอนดีก็ <c ười> เลยคิดว่าตั้งใจว่าสอนทำรรมมนะถือว่าเป็นมรดกของชีวิตทุกคนให้พากันปฏิบัติทำพากันเจริญสติเอาไว้สรส้างจิตใเอาไว้ฮะอะไร เข็นก่อนตีต้นโพอาจารย์สงศินเดลต้นโพมาจากพุทธคยาประเทศอังเดียเรว่าอันต้นโพโสภาพฤษาพุทธจงยั่งหยุดช่วยยากปาดน้อยใหญ่ก่อุชชนทากามดีที่พึงใจสร้างจดีเอาไว้พึ่งพาบูชาโพโพธิตัวนี้เป็นโพธิไม่ใช่โพต้นนั้นโพธิกันเอพระพุทธเจ้าตัดจะรูดแต่ต้นโพอาจจะเป็นต้นโพจริงๆ แต่โพธิ์จริงๆตัวรู้จึกตัวเป็นหน่อโพติสร้างขึ้นมาสร้างขึ้นมาให้เป็นที่พึ่งของเราวันนี้ก็ขอสมควรเนาะสมควนเจอเวละอาจานย์ิจิตรับพระพรอบกัน